สู่ความเจริญจะมีได้ท่านสาธรชนทั้งหลงายการบรรยายประชุ์ในวันนี้จะพูดเรื่องทานในสูตรในสัตตการในบาตอังคุตรนนกายหรือข้อความว่าครามหนึ่งพระสารีบุตรเสระไปพักอยู่ที่ใกล้สะน้มชื่อคักขราที่เมืองจำปา มีบาสุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาหาพระสารีบุตรบอกว่าโอตันั้นได้ฟังธรรมะต่อพระภักของพระผู้มีพระภาคจะมาหลายครั้งตอนนี้ก็อยากจะฟังแต่ว่าเด็นที่ข้องใจสงสัยนั้นก็คือเรื่องของผลและอนิสง์แห่งธาต าการให้ทานบางอย่างนั้นมีผลมากมีอนิสงส์น้อยาการให้ทานบางอย่างมีผลมากมีอนิสงส์มากนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไงพระสารีบุตรก็บอกจะบ้านหล่อนั้นบ่านั้มาพร้อมกันในวันแสดงธรรมแล้วก็จะได้ฟังธรรมะในสํานักของพระพุทธเจ้า พอถึงวันมีการฟังธรรมท่านรังกก็มาพร้อมกัน ม, ม, ม, มาฟาหมาหาประศาริบุตรพระสาริบุตรก็นำไปฟาพระพุทธเจ้าแล้วก็นำถามปัญหนานำนะฮพระคาจจายพระผู้มีพภาคเจ้าการให้ทานที่มีผลมากมีอนิสงส์น้อยมีอยู่หรือไม่ โดยการให้ทานบางอย่างมีผลมากมเพนิสงมากท่านมีอยู่หรือไม่จะรับสั่งว่ามีต่อจากนั้นก็ชงทรงจำแนกแสดงการให้ทานไว้เป็นเจ็ดระดับด้วยกันประเด็นได้ที่น่าศึกษาก็คือประเด็นตอนต้นอิสะช่อคัคราเนี่ยมันเป็นตำนาน มันนานพอสมควรเนะ่นะฮะเราก็พบในคำีหลายแห่งแล้วก็มีระสูดุเกิดขึ้นที่ใกล้าสาน้ำเชื้อพักกราเนี่มากก็เป็นสระที่ขุดเห็นขุดขึ้นมาแล้วก็มีศาลามีที่พักบริเวณนั้นวันพระหรือว่าคนเดินทางก็จะเป็นพักริมสระก็กุงแบบโบราณ แต่ที่น่าสนใจว่าทำไมคนกลุ่มนี้จึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียเลยทําไมจึงต้องมาพบภาษาริบุตรก่อนแล ะ, ะทำไมภาษาริบุตรไม่เทศเองเพราะว่าเขาต้องการจะเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเขาต้องการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าถ้ามาถามบ้านนาภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรคงตอบแต่วิธีการพูดเราจะพบว่า การพูดนั้นเป็นเรื่องสำคัญมันแสดงเห็นถึงเจตนา แ, แสดงเห็นถึงพลังพลังศรัทธาเรื่มใสเราก็มุ่งมาที่โลกุตตเจ้าก็ต้องนำไปฟ้าวรกุตตเจ้าเราก็ด้เห็นว่ามันก็อยู่ที่ที่อย่างอย่างที่เมืองสาวัตถีกรุงราชครึ้นพระเจ้าประทับาดาษ ยิงก็การแสดงธรรมก็ดูเป็นปกติคือตอนนิเย็นก็แสดงธรรมกับชาวบ้านทุกวันเอ็นทำไม่หมาหมถึงเมืองจำปาต้องมีวันอื่นไม่มีวันนั้นก็ถือว่าเป็นเรอบเป็นข้อที่น่านสังเกตนะฮะเสรแสดงใ น, นความสนิทสนมคุ้นเคยที่เมืองสาวสถีคงมีมากกว่าเพราะพเจ้าประทับหยุดนานเมืองจำปาก็น า, นานเสด็จ แต่บ้านก็เคารพนับถือยำเกรงนะโดยเฉพาะยิ่งคือขาดความคุ้นเคยกับคุ้นเคยจึงกลายเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญก็มีข้อที่แปลกต่อมาว่าที่เราพบโดยทั่วไปเนี่ยคำว่าผลอานอิสงส์มันใช้แทนกันความเป็นวยาพาส์ของการแลกกันแต่ในตรงนี้ท่นานแยก มีผลมากมีอนิสงส์น้อยมีผลมากมีอนิสงส์มากก็แสดงเห็นว่าพอกคำเหล่านี้มาซ้อนกันทสองคำํำในบางการณีความหมายก็เป็นการเกื้อกูลกันเกี่ยวกับความเป็นปัจจัยกันพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าอ น, นิสงส์นั้นไปนเน้นเอาที่ชาติหน้า ผนนั้นก็เน้นเอาที่ศาสตร์ปัจจุบันแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปริยายของธรรมะเป็นในยะที่น่าสังเกตไว้แต่นั่นเองประการปกติแล้วในการศึกษาของคนเราโดยทั่วๆไปนั้นเราคือไม่ค่อยได้ไปศึกษาที่ตัวกระไตรปิฎกกานอ่า น, านฟังๆใะทั่วๆไป แล้บางครั้งก็ไปไปได้คํามาคําหนึ่งแต่โบยึดติดอยู่ตรงนั้นเองซึ่งยันที่เคยเล่าเรื่องเวทนาสูตรที่มีคนสามคนก็เถียงกันเวทนาหนึ่งเวทนาสามเวทนาห้าก็เถียงกันหาข้ อ, อยึติไม่ได้ก็แสดงฟังเท่กันมาคนละคราวกัน ในสก็ไปภาบพระพุทธเจ้ากราบทุนถามว่าความเห็นของท่านทั้งสามนั้นใครผิดใครถูกปุจาร์รับสั่งวถูกทั้งหมดนะเพราะว่าพระองค์แสดงเวทนาโดยปริยายเป็นอันมากคือในญาตเป็นอันมากมันก็ดูผู้ฟังประตผู้ฟังมีพื้นฐานมีฐานจิตที่ละเมียดละไมมีสติปัญญามากพอก็จะว่าละเอียด เวทนาหนึ่งก็มีเช่นเวทนาขันเวทนาสองก็มีสุขทุกเวทนาสามก็มีสุขทุกไม่ทุกไม่สุขเวทนาห้าก็มีสุขโสมนัตทุกโทมนัตอุเบกขาเวทนาหก็มีคือตามประสาสัมผัสแล้วว่ากันไปนเรื่อยๆจนถึงเวทนาร้อยแปดเราแสดงเห็นว่าเป็นปริยายในการเทศ ยังไงมาสติปัฏฐานสูตรที่เราศึกษากันเนี่ยตนหลายจะสังเกตว่าทรงแสดงเวทนาเก้าไอ้เก้านี่จริงๆมันแยกยากมากเนีสมาธิต้องดีสติปัญญาต้องแหลมแม้มันแยกไม่ออกแยกไม่ทันคือแยกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วแยกเป็นเอาเจือนะเรียกสามิตร ทุกสามิตสุนิรามิตุกติรามิตุแล้วก็สุกทุกธรรมดาธรรมดาโือตามปกติการแยกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนั่นก็เหมือนกับเหมือนกับเรารับประทานอาหารแล้วเราไปแย ก, กว่าเครื่องปรุงอาหารเนี่ยมาจากอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแม่ครัวขนาดชำนาญจริงๆนะฮะแล้วก็แยกได้หมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะ หมายความว่าของมันรวมกันอยู่และคนสามารถแยกได้ก็เก่งมากจะต้องอาศัยความจะนิสนานภาคสนามสติสัสมชั ญ, ญญาในการระลึกรู้ในเรื่องเหล่านั้นสูงอันนี้ก็แสดงว่าเป็นปริยายหมายความว่ามองคนแล้วก็มองธรรมะกำหนดธรรมะไปตามพื้นฐานของคน ปริยายตรงนี้ที่ส่งแสดงเรื่องสองกลุ่มนะฮะสองกลุ่มเราจะเห็นว่ามีผลมากกับมีอนิสงไม่ใช่มีผลมากมีอานิสง์น้อยมีผลมากมีอนิสง์มากคำว่าผลอนิสง์นั้นจะเน้นไปในเรื่องดีงามสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราได้จัดการให้ทานแต่ผลนั้นจะมีในขณะนั้นๆในขณะต่อๆไปแล้วก็ในชาติต่อๆไปจะเป็นลูกของฐานบารมี เพราะแนรูปทานบารมีก็คือในรูปของพวกผลพวพวกทั้งผลทั้งอานนิสงได้ทรงแสดงถึงตัวเจตนานะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเจตนาในการให้ทานมันก็กลับมาสู่กฎของกรรมที่ทรงแสดงว่าสงก่าวเจตนาว่าเป็นกรรมวันก่อนไปเจอหนักกฎหมายข่าว คือภาษากฎหมายเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องสอนเจตนาแต่พระเจ้าทรงแสดงว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมคณะกฎหมายเขาก็มาถามปัญหาเมื่อวันศุ่ยนี่เองนะฮะมาบอกมันได้ยึงพูดเรื่องเดียวกันสังเกตว่ากรรมเป็นเครื่องสอนเจตนานั้นคือเราเอาผลมาพูดก่อนเหตุ ผลที่ปรากฏคือตัวการกระทํำเนี่ยแล้วก็สาวไปหาตัวเจตนาแต่ว่าเจตนาเป็นกรรมเนี่ยมาข่าวมาพูดถึงตัวเหตุแล้วก็ไปสู่ผลคือตัวกรรมก็ไม่มีอะไรนะครพูดหัวเป็นหางพูดหางเป็นหัวก็พูดอะไรก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรเป็นภาษาโดยสาระธรรโดยเนื้อหาแล้วอย่างเดียวกันทานในที่นี้ชาวบ้านเขาถามทานในรูปของ ของการทําบุญเนี่ยนะครับในรูปของการทําบุญทำทานตอนที่ทานก็มีอยู่สามประเภทอย่างที่เคยเจออยู่บ่อยๆว่ามีแนวของการอนุเคราะห์เมยแนวของการสงเคราะห์แนวการบูชาอันนี้เน้นที่แนวการบูชาเพราะการตอบยังตอบแนวการบูชาไม่ได้ตอบในแนวของการสงเคราะห์อนุเคราะห์และถามสงเคราะห์อนเคราะห์เกี่ยวด้วยไม้ก็บอกว่าเกี่ยวนั่นแหละแต่ต้องการจะเหยียดระหว่างผลกับอานิสงส์ออกไปให้เห็น ก็คนให้คนให้คนบางคนให้ทานน่มีใจผูกพันมีความรู้สึกว่าเมื่อเราให้ทานตรงนี้เราได้จะอนิสงส์อย่างนั้นแล้วก็ตายไปแล้วเราจะได้บังเกิดในสุคติเพราะผลของการให้ทานหมายความว่าจิตฉายังเกี่ยวกเกาะยังยึดติดอยู่ในสิ่งที่ตัวให้อย่างน้อยก็ไปยึดติดในตัวผลที่ตนให้ ถึงถ้าเรามองคุณภาพจิตแล้วเนี่ยจิตมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะฮะมันเหมือนกับบริจาคแล้วต้องการได้เหรียญผมไม่ได้เหรียญเลยวกฟัดโว้เบียงไลยมันก็กลายเป็นโทสะมันกลายเป็นโทสะเป็นโทสะในคนแต่มันสละตัวโลภะในวัตถุได้สละโทสะในตัวคนที่รับในตอนต้นได้แต่ต่อมาเกิดโทสะ ในตัวคนเพราะเราไม่ได้เรียนตามที่เราต้องการก็ทําให้เกิดเสียดายในสิ่งที่เราให้เห็นไหมใจมันกลับใจมันกลับขูดมัวส้ ม, มอง ค, คล้ายๆกรกวาดพื้นไปแล้วแล้วก็ฝุ่นมันลมมันพัดฝุ่นัวกิ ด, ดอีพื้นที่ตรงนั้นก็เลยสกปรกเหมือนเดิมเหมือนกับต่อสู้กับ น, น้นบนนําท่วมในกุงเทพไปเนี่ยนะบิดน้มสูบน้ําออกแล้วก็น้ำทะลักเ ข, ข้ามาเอกก็ต ก, กันไปดูันมาเงี้ยก็แก้กันไม่ตกสักทีทรงแสดงว่า คนเหล่านี้เมื่อตายไปจะไปบังเกิดเป็นเทพในชั้นสวรรค์ชั้นจาตูภาราด เ, เมื่อหมดฤทธิ์หมดเดชหมดบุญก็จะกลับมาสู่สภาวะอย่างนี้อีกหมายความจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกตัวนี้ท่านจะเห็นว่าตัวอานิสงฆ์เนี่ยมันไปไปยืดไปไปอยู่ที่ที่ชาติหน้า ผู้ต้องการมันเกิดในชาติหน้าแต่ว่าพอเรียงขึ้นไปเนี่ยจารุมาราชเป็นสวรรค์ ท, ที่ที่ไม่นานนะฮนะถ้าเทียบกวับสวรรค์เช่นอื่นไม่ได้เทียบกวับโลกมนุษย์นะที่โลกมนุษย์เขขนานดะพระจาตุมาราชในพระสูตรอีกพระสูตรเขาบอกว่าเท่าเวสุวรรณยุคพระพุทธเจ้านะองค์ที่ยุคพระพุทธเจนะ้าเนะี่ยอายุ ก, กือตั้งเก้าล้านปีนะตอนตอนตอ น, ตอนมาเนี่ยฮะ อายุตั้งเก้าล้านปีแสดงว่า ม, ม, ม, มันเทียบกับโลกมนุษย์นะไม่ไมใช่ว่านับอายุของเขาเทียบกับโลกมนุษย์รวผ่านโลกมนุษย์มาในเก้าล้านปีเพราะวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเขาก็เท่ากับห้าสิบปีของเราหมายความเขาเขาอยู่ได้สองวันเราก็แก่ง็งเหงือกแล้วว่าก็ร้อยปีแล้วไปไม่ไหวแล้วแต่เขาเพิ่งได้สองวันนั้นนั่นเองเพราะงั้น ก็แสดงถึงอานิสงส์ว่าใอ้ใจที่ผูกพันใจจียงยึดติดเกี่ยวเกาะคือหวังพึ่งตัวนั้นนะะหวังพึ่งตัวนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าทําไม่ได้แต่ถ้าเทียบกันแล้วนะฮะเทียบกันเนี่ยจิตมันมั น, ม, นมันยังเกี่ยวเกาะมากเกินเกินแล้วจะผูกจะแพรไปตามสิ่งที่ตัวให้นะเช่นทอดกรถินไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ เงินเสียค่าใช้จ่ายในการรับกฐินไปหมดไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างอะไรตามที่เราว่าเลยก็ย้ววเลยอันนี้คือคือคือทำให้ใจมันขุดมัวใจมันขุดมัวตัวอัปรราปารปัดเจตนาก็เสียตัวแนวทานแนวมันก็แนวเดิมฮะแนวเจตนาสามแนวออก่อนให้ขณนะให้หลังให้พรักษาคุณภาพจิตวิไหลังให้ได้หรือไม่ประการที่สองคนวางพวก ให้ทานโดยไม่ได้คิดเกี่ยวกับเกะอย่างนั้นแต่ให้ทานโดยคิดว่าการให้ทานนี้มันดีก็ให้มีความสุขความสบายใจและในสุดก็ให้เธอแสดงว่าเกี่ยวกับอยู่น้อยแต่รู้สึกว่ามันมันมันเป็นสุขที่ได้ทำอย่างนั้นนั้นเองแลวตั้งก็ให้ไปการให้ทานในลักษณะนี้ ก็ทําให้ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวันหนึงก็สูงขึ้นไปอีกชั้นนึงนะฮะอายุยืนขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งก็มีความสุขอะไรต่ออะไรก็เพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะก็หมายความมันก็ดีกว่าเดิมแต่ว่าพอหมดฤทธิ์หมดบุญหมดอํานาจแล้วก็ต้องย้อนกลับมาสู่โลกหมายความว่ามันเป็นวัตตะ เพราะแนวทันศีลภาวนาเนี่ยจริงมันเป็นแนววัตถกรรมอีกุศลอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างว่าไปเป็นแนวมันก็จะรวดุ่ดยิงเพื่อนขึ้นไปสู่สุญญากาศแล้วตัวเองก็ตกลงในโลกพวกนี้เป็นโลกกิยธรรมไม่ใช่โลกุตฑรธรรมแล้วต้องอาศัยเขานะฮะจะรวดมันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนยิงขึ้นไปเนี่ยดาวเทียนเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนยิงขึ้นไปแต่ตัวที่ยิงไม่ได้ขึ้นไปตัวที่ยิงมันก็อยู่ขัง้งหลาย แต่คนบางคนนั้นให้ทานโดยจิตสํา น, นึกว่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นก็เรียกว่าํานวนในที่บางแห่งเรียกว่าอนุยนตหมายความเป็นยันที่สืบต่อมาในส ก, กุลเนี่ยส ก, กุลตรงเนี้ยส ก, กุลเมื่อเราเนี่ยก็ทําบุญทําทานกันมาอย่างนี้ทนูบรมรุ ก, กันมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสะสมมาอย่างนี้เราต้องทำไม่ต้องการเหตุผลอื่นนะนะเป็นเหตุผลที่จะรักษาประเวท ประเพณีเชื้อสายเอาไ้มาไปพบที่ที่จังหวัดนครนายกมันก็นึกตรงนี้เออไอตรงนี้มันแปลกไม่วัดวั ด, วดหนึ่งชื่อรมธา น, นีเป็นวัดเจ้าคณะจังหวั ด, วดนครนายกมาเคยไปพักทํางานธรรมทูตอยู่เมื่อพศ .2511 นะฮะเป็นวัดที่บํารุงอยู่ตระกูลตระกูลเดียวเขาบารุงครับมีที่นาหลายพันไร่ แล้วพ้จะประโยชน์จากที่นาเนี่ยเขาหม่อมบำรุงวัดแล้วก็ลูกหลานเลี้ยลืมมาทั้งกี่ชั่วคนมาแล้วไก็ต mm ่อ hmm. แล้วทุกวันเนี่ยลูกหลานก็องไปอยู่เต mm ็มไปในวัะคนในตระกูลนั้นทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีมากรักษาแปลกมากเลยยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอว่าคนครอบครัวเดียวคนตระกูลเดียวรักษาวัดทางวัดยุคสมัยสมพารองค์กรเนี่ยมีนักเรียนเป็นรอยๆนะเขาเลี้ยงเขาได้ คนตะกูลเดียวนะฮะเลี้ยงก็ได้เป็นพระเศรษฐีชนะเป็นนามากนะนามากจังตัดการอาหารเลี้ยงดูเรียบร้อยอยุ่นก็มาเป็นแถวรับปริทบก็แปลกนะฮะถ้ามาหลายสุขคนเป็นวัดของตะกูลจริงๆแล้วยังไม่เคยเห็นวัดไหนที่ทมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราก็ทำให้นึกถึงว่าเอื่อยแนวอนุญัณ ยานที่สืบต่อตางจากตามสกุลมาคนให้มีจิตสํานึกมีจิตสํานึกว่าปู่ย่าตายายท่านทำมาเราก็ทําตามปู่ย่าตายายไปไปรักษาใจารีดประเภทนี้ไม่ได้ติดใจในรายละเอียดอะไรทั้ไหลาหมายความว่าจิตสํานึกที่กตัญญูนะฮะกตัญญูต่อบุปการนี้ ที่ต้องรักษาจารีของสกูลอว้ประเฟณีของะกูลอวัตัวเองก็รักษาไปมีปัญญามีเหตุผลนะแต่ว่าปฏิบัติตามไปพอดีถ้าถ้าดีก็ดีนะฮะถ้าไม่ดีก็ก็ไม่ดีแต่ตอนนี้ถือจารีของบันไดจนอีกประการหนึ่งนั้นมองในแนวข้องการสงเคราะห์แนวข้องการว่าชีวิตเราต่างกัน ผู้สมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้ทํามาไม่ได้ดุงหาอาหารมองไม่ดุงหาอาหารไม่ดุงห า, า, หา ร, รับประทานยายที้เคยตั้งข้อสังเกตแต่ท่านทั้งหลายฟังวันเสอบที่แล้วนะว่ารูปแบบของสถาบันสงูงที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมาก เราดูในาศาสนาพุทธในเมือ ง, งไทยมันไม่เสี่ยงนะเพราะเราเกิดมาท่ามกลางพุทธศ า, ศาสนิกชนแต่ตอนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ใมันไม่มีพุทธศาสนาเอกชนก็มีคนในนับถือาศาสนาอื่นปู่เจ้าเกิดขึ้นมาตอนหกปีแรกก็เที่ยวจาริกบินธบาตอย่างไงเนี่ยแบบนักปวดพวกหนึ่งที่มีกตินิยมเที่ยวบินธบาตพวกปริพาชกพวกฤษีพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเที่ยวพิคัดจานบินธบาต เป็นเดินชาวบ้านก็ว่านำมาให้ก็โดยความรู้สึกว่านักบวดเราเนี่ยไม่ไม้ทา ม, ม, มาับประทานไม่ได้หุงหาอาหารนะฮะความความคิดว่าไม่ได้หุงหาอาหารเราหุงาอาหารรับประทานการจะไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่หุงาหาลระรประทานเนี่ยไม่ควรอันนี้ก็คือแนวคิด แนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเนกาศีและปเตสุขขังบริโภคคนเดียวไปได้รับความสุขมันจิตใจเอื้อเฟื้อจิตใจเอเื้อเฟื้อต่อคนอื่นเราเห็ น, เ ร, เ, หน เ, รนะเราเห็นลักษณะคือคือเมตตานะฮะเราเลยนลักษณะคือเมตตาศรัทธาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมากคิดธรรมดาธรรมดาแล้วคนเหล่านี้ก็จะให้ทานไป ่อทานไปแล้วก็จะตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติในสวรรค์ที่สูงขึ้นไปนะมายความว่าหลายๆชั้นดาวดึงชั้นยามนะชั้นยามยา ม, มาดุสิ ต, สตไปแล้วตฮะดุสิตไปแล้วแล้วก็อีพวกหนึ่งเนี่ยให้ทานโดยจิตสำนึกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้น จะคิดถือว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีดถ้าเราได้ทําเช่นนั้นเนี่ยมันมันรู้สึกว่าตัวเองได้ทําประโยชน์ได้ทําประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมแต่ว่าทําลงไปไม่ได้ติดใจใครจะยกจ่องสรรเสริญหรือไม่ยกจ่องสรรเสริญประเด็นตรงนี้มันมันมันหยู่ที่การมองการมองจริงๆก็คือมองเรื่องกรรม เ้รานัอะไรหลายจะเห็นว่าคำว่ากรรมที่เราสวดประเด็นที่เราต้องจับไปได้เนะี่ยคนเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วนะฮะทาดีจกักจักได้ดีคมว่าจักเป็นอนาคตมันยังไม่ได้เพราะเรายัางไม่ทำาเรวมาทําทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วที่เราสวดนะฮะกรรมสกมิธรรมดาจิโลประเด็นจริงๆประเด็นของกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้ทำ ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขข้างนอกอะไรแต่ประกันใดเลยใครจะยกย่องมายกย่องสรรเสริญไม่สรรเสริญอะไรก็ตามนินทาไม่นินทาตำหนิไม่ตำหนิคนเหล่านั้นจะเป็นไปตามกรรมของเขาในแง่ของกรรมนะฮะถ้าในแง่ของสังคมอีกเรื่องหนึง่งสังคมเราเราเห็นว่ามัานเอานิยายไม่ได้สังคมจะเอานิยายอะไรไม่ได้แต่ว่าพอดีเราก็อยู่ในสังคม ใช่ไมครอดีเราก็อยู่ในสังคมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงพระเจ้า ก, ก็กําหนดว่าเอาที่บินอยูชนกระแสสังคมนั้นมองที่บินอยู่ชนเพราะว่าบินอยู่ชนนั้นได้ใช้ปัญญาในการตรวจสอบพินิจพิจารณาจะตำหนิคนจะยกย่องคนจะนับถือคนไม่จะทำทรงงไปตามกระแสอารมณ์แต่ว่าได้มีการตรวจสอบพินิจพิจารณา แล้วก็ฟังได้อนะฮะมาว่าการยกย่องการดำาินิของวิญญาชนั้นฟังได้แต่ถ้าเอาคนทั่วไปนี่ฟังไม่ได้เพราะคนเรานั้นใช้อารมณ์เนี่ยเป็นหลักและกระแสะบางอย่างมันเป็นกระแสะสร้างขึ้นกระแสะสร้างขึ้นมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังมีอำนาจอิทธิพลเงินอะไรต่างๆอยู่เบื้องหลัง ถ้าเราจะอ่อนไหวไปตามนั้นมันก็จะทำลายคนไปได้เยอะเพราะฉะนั้นท่านท่านทัน้งหลายลองลอ ง, ลองสังเกตว่ากระแสสังคมที่สร้างแม้ในสมัยพุทธกาลเองมันสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์ซองเหนือนวความโกรธความผูกโกรธความริษยาความแข็งดีเช่นยกยกตัวอย่างฮนะ ยกตัว อ, อย่างที่นางมาคันตยาจ้างให้ดา่าพระพุทธเจ้าไอ้นรื่จริงจมันมันมันมันมันเป็นเรื่องความผูกโกรธแต่คนที่ด่าเนี่ยแกด่าด้วยความโลภแก่ไม่ได้โก ร, รกธพระพุทธเจ้านะฮะคนโกรธจริงจริงเป็นนางมาคันตยาแต่ว่าผูผ้กพวกนี้พวกมือปืนรับจ้างนะฮะคล้ายๆเขาที่เขามาจ้างด่าอยูแถววัดสมันะยน่ะกให้มางคนห้าร้อยสามร้อยมาว่ากันมามัมันก็ เป็นกระแสว่าคนหนึ่งนั้นผูกโกรธนมามคันยาผูกโกรธโกรธก็ไปย้อนประวัติศาสตร์มันรู้ว่าทำไมจึงโกรธก็เกิดขึ้นมาจากการที่พ่อแม่ของแกนำแกไปถวายแกพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าปฏิเสธแล้วก็ตำหนิความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายให้อีฟังแล้วกก็โกรธประโยคที่โกรธมากนะโกรธโกรธมากก็คือว่า ร่างกายนั้นเหมือนกับภาชนะที่บรรจุของจือศกปรกพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยเท้าสมนูจบาลีว่าปาดาปีมังสัมปูสิตุงนาิเจไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ด้วยทะาอมาแรกมากเลยครับคำนี้โกรธมากคนหนึ่งโกรธแต่ว่าไม่สามารถทําเองได้เบอรก็ใช้ความความความมีสถานะของตัวเองก็ไปจ้างมือปืนขึ้น ให้ไปประทุสรายต่อคนที่โกรธคนประทุษร้ายเขาไม่ได้โกรธแต่เขาโลภหรือทําอย่างนี้จึงได้อย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้มันโลภมันก็มันก็ไปฆ่าเขาแล้วถ้าตั้งหลาจะเห็นว่าสูตรนี้มันก็สูตรเหมือนเหมือนกับที่จ้างยิงอยู่ทุกวันนี่นี่เห็นไหมฮะมันมัไอ้คนนี่มันโกรธมันโกรธมันแข็งดีมันริษยาแต่มันทําเองไม่ได้มันออกหน้าเองไม่ได้มันก็จ้างคน แต่คนคนเหล่านี้ก็ถูกทําลายทีนี้บางทีเนี่ยมันไม่ใช่เอาขนาดนั้นอาจจะจ้างคนแนวจ้างดา่ามันก็เหมือนกับจ้างหนังสือพิมพ์เขียนดา่เาเห็นไหฮะแนวจ้างดา่าเนี่ยสมัยนะั้นไม่มีหนังสือพิมพ์มันก็จ้างมวลชนไปดา่าในบรรจุรางไปจ้างหนังสือพิมพ์ด่าได้จ้างสื่อมวลชนต่าง ๆ, ๆด่าได้แต่คนด่าที่จริงไม่ใช่คนโกรธบางทีเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนโกรธเองนะฮะแต่เขาโลก โลกก็ต้องรักการได้ผลประโยชน์แต่ก็ดา่าบางทีก็เกิดเกิดลิษยากิดิยาเช่นจ้างนางกินจามนาวิกาเขีนว่านางกินจามนาวิกาไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของนิครนนิโครนเป็นทุกข์เกิดร้อนมากนางกินจามนาวิกาด้วยความสงสารด้วยความสงสารอาจารย์เนี่ย ก็รับอ า, าสาช่วยงานตนัวนี้คนโกรธคนคนฤิสยาไม่ใช่นางนจิงนตาม่ได้แก่แก่ต้องทำห้ตามบทที่ถูกกำกับแต่นั่นเองกกเรื่องแรงนะเราสร้างกระแสความเชื่อให้เกิดขึ้นแก่สังคมตรงนี้ถ้ า, ถ, าถ้าเรามองกิเลสเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือสาวไปตัวที่ตัวสมุทยัยแต่ว่าพอดีสมุทยัยมันอยู่ที่ใจคนใช่ไหมสมุทยัยจริงๆมันก็อยู่ที่ใจคนนนะ ว่าสมุทัยจริงๆเ น, นมันอยู่ตรงไหนทําไมจึงจึงจึ ง, จ ง, จงไปเบียดเบียนใส่ร้ายกล่าวหาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่นั้นก็ที่จริงก็ก็ก็เป็นเป็นปัจจุบันไอ้เหตุจริงๆมันมันเป็นเป็ น, ปนการผูกเวรมาในชาติปา ก, ก่อนเพราะเราจะเห็นว่านางกินจับมานุยกาในสมัยพระเวสสันดรนางกินจับมานุยกาก็เป็นนางมิตตดานิสัยดีนะฮะจริง เดี๋ยวเราลองนึกดูว่าแกอยากจะได้คนใช้ทําไมเจาะจงเอากันหาชาลีนั่นคือแรงบันดาลของกรรมไปขอขตัตยะกุมารขาตัตยะกุมารีมาใช้เป็นเด็กรับใช้ในแกทำอะไรเปยนแต่ทําไมไปนึกเจาะจงว่าตรงนั้นไม่รู้นะไอ้เงินเยอะๆไปไ ป, ไปจ้างเด็กตัวไหนก็ได้ไปซื้อเด็กตรวไหนก็ได้แต่วนั้นสมัยนั้นน่นนะฮะนี่คือคือเราจะเห็นว่ามันมันลักษณะท่างหลายมันบิด มันเป็นกระแสที่สะสมไว้ภายในใจก็ออกมาเป็นพฤติกรรมทําไมทำไมาไปเกี่ยวยกกรรมเหมือนกันเกี่ยวยกกรรมเหมือนกันแต่เป็นอดีตกรรมเพราะเพราะเพราะอะไรอ ย, อย่างนางกินจัมมานีกาเนี่ยก็ลูกสิทธิโครดมันเยอะไปทําไมคนอื่นไม่อาสาทําไมจึงอาศะเฉพาะใหญ่นี่จะ แ, แสดงว่าอย่านี้มันก็มีมีปัญหาอะไรอยู่เป็นการกระตุ้นเตือนของ อ, องวิบากกรรมที่ผูกเวรบุกภัยผูกอันตรายกันมาตัวนี้ท่านท่านท่านท่านทัน้งหลายจะเห็นว่าทั้งหมดมันเลิศเลย ม, มันกลายเป็นเป็นระบบไปหมดเลยเป็นระบบว่าการฟังวินยูชนเพราะวินยุชนก็มีปัญญาเขาไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ถามว่าฟังหมดไหมฟังหมดก็ยากนะแต่อย่าลืมว่า เอาจริงๆสังคมไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขนาดนั้นไม่ว่าในยุคใดสมัยใดสังคมไม่มีเกณฑ์มาตรฐานขนาดนั้นสังคมจะถูกผลักให้อ่อนไหวไปตามกระแสที่สร้างขึ้นด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้นะโกรธริษยาแข่งดีนะตรณีมายาโ อ, อว้วอดอะไรตระก็เยอะแยะไปมไม่รู้อะไรก็ว่ากันเป็นไรๆนะ ทีนี้เราล่ะสมระเราโดนเองเนี่ยเราโดนเรี้ยงเราทำยังไงเราต้องตั้งหลักให้ได้ถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นก็ก็ไปเรื่องของเขาอถ้ากรรมกรรมในปัจจุบันเราไม่มีก็ชนะ่างฮะอาจจะเป็นกรรมแน่ดีก็ได้เราไม่จาเป็นจะต้องไปทำกรรมอะไรเพิ่มขเขาเนี่วแต่ว่าเขาด่ามาเราก็ไม่จาเป็นจะต้องด่าด้วยเขาก็ปล่อยเขาไปเปเรื่อ ง, ของเขา เราก็รับผิดชอบในส่วนกรรมของเราตรงนี้ก็จะจะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็อยู่ที่จิตสานึกว่ามันเดี๋ยวทำไม่คดีก็ทำให้เราได้ช่วยเหลือเกือเก้อกูลในสังคมเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือ ร, รู้สึกว่าเราได้ทางานเป็นประโยชน์เกือเก้อกูลแก่คนอื่นใครอื่นจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่นี่มันไ ม, ม่เกี่ยวอะไร มันไม่ได้เพิ่มให้แกเรานะจริงๆไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้มไมไดลดท่านนั่นหลาจะเห็นว่าทั้งความดีความช่วยมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดจากการรับรู้ของคนอื่นเช่นสมมติเราทำดีคนอื่นร่วมอนุโมทนาเยอะเราก็ได้ดีเท่าเดิมเห็นไหมอนุโมทนาใหมาอ่อันโมทนาใหม่คนอื่นก็พลอยได้บุญกับเราต่นนั้นหรือว่าเราทาชั่วทำผิดทคนก็ด่าเยอะเลยหมดเลย ไอ้เราก็เราก็ชั่วเท่านั้นเน่ยแต่คนอื่นได้ได้ได้ได้ไดอาศัยความชั่วเรามาทําชั่วด้วยเราอาจจะฆ่าคนมาเขาก็ด่าเราเขาก็เป็นวจีทุจริตเขาก็ผิดศีลข้อที่สี่เราก็ผิดศีลข้อที่หนะึ่งเห็นไหกรรมเราไม่ได้เพิ่มความดีเราไม่ได้เพิ่มความชั่วเราไม่ได้เพิ่มเพิ่มตามที่เราทํากรันได้ใครก่อนนะก็รับกรรมข้าไป เพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นเครื่องอาศัยการทําดีทําชั่วของบุคคลอื่นได้นะถึงถือว่าสังคมค่อนข้างแปลกสังคมเราค่อนข้างแปลกที่มักจะอาศัยความชั่วของคนอื่นทําความชั่วด้วยแต่พอทําความดีเนี่ยอาศัยความดีทําความชั่วคือพอคน อ, อื่นทําความดีเราเกิดริษยาเกิดริษยาเกิดแข่งดีเกิดดินทาเกิดอะไรตร้นตงนา้นต้นต้นต้นต้นต้นต้ นั่นคือความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดของคนตามทา ง, ท, า ง, ท, างที่โดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางแนวของสัตว์ุรุษเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางแต่พอถึงสัตว์บุรุษมันมันเสียประโยชน์ทั้งสองทางขุ้เจ้าจึงทรงสอนให้มองไปที่วินยูชนยกย่องสรรเสริญแต่ประเด็นนี้ไม่ได้สนใจข้างนอกเลยนะอาจารย์หนว่าประเด็นนี้เขาไม่เขาไม่สนใจข้างนอกแล้ว แต่จะสนใจว่าตัวได้ทำดีหรือไม่แต่แน่ๆส่วนทำไปแล้วมันก็คือการแน่ะให้เราสังเกตว่าเหมือนกับเราเราจะไปนั่งรถไปในที่ใดที่หนึ่งถ้าเราไปเร่งไวต้องถึงตรงนั้นตรงนี้แนละ้วมันมันเครียดอ่ะมันทิมเกิดอุบัติเหตุได้ปเปล่เปล่าขับรถไปปกติธรรมดามันก็ถึงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าใจเราไม่หนักใจเราเบาใจเราสบาย ทานมาเป็นมักนะฮะอันเป็นมักมาเป็นถนนแต่เราทำไม่เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นอะไรผลอานิสงส์มันก็มากขึ้นอีกประการหนึ่งทำต่อไปเนี่ย้วยจิตสมนึกในการที่จะบูชาเห็นท่านประพฤติปฏิบัติดีงามตัวเองก็ต้องการจะบูชาท่านเสริญท่านพวกนี้ต่อมาก็ตายไปก็ไปบังเกิด มันเกิดเป็นเทพที่สูงขึ้นไปนะก็ค็ออะไรล่ะดุสิตนิมาลดีนะนิมาลดีแล้วคนสุดท้ายจะมองถึงกัวคุณภาพจิตเป็นเครื่องประดับจิตหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าการให้ทานเนี่ยท่านเห็นว่าที่จริงแล้วมันทำง่าย เป็นบุญที่ทำง่ายที่สุดบรรดาบุญทั้งหลายเนี่ยทานในเป็นบุญที่ทำง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะทานในแนวสงเคราะห์นุเคราะห์นั้นเราปีพื้นอัตยาสัยอยู่แล้วก็สงเคราะห์ออนุเคราะห์แบ่งกันกินแบ่งกันใ ช, ช้ช่ยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามมั น, ม, นมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นพอมาถึงระดับกองการบริจาคผ่านได้ เราจะเห็นคุณภาพจิต ก, ก็คือปัญญาที่เป็นตัวพิจารณาคนที่เราเรียกว่าอะไรอะสงฆ์ใช่ไใช่ใช่สงช์งชนใชก็มาทักทิ้ในยะบุคคลหมายความไปมองที่ตัวทักทิ้นในยะบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การให้ทานแล้วก็กลับมาสู่หลักการเดิมนะก็นแนวว่าดินดีดินดีพืชดีมันก็เจริญเติบโตได้ดีเรามองที่ ความรู้ความประพฤติของท่านเรี่ยวศรีลาจาระหรือวิชาจาระนะฮะวิชาความ ร, ามรู้ความรู้ดีความพฤติดีของท่านความพฤติก็มองเป็นแนวของสังกัุฏสี่ข้อแรกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงประดุจเป็นธรรมปฏิบัติมตสมควรเรียกพักข์นในบบนิยบุคุณแล้วไม่ไม่ได้เจาะจงพระนะฮะไม่ได้เจาะจงพระทรงใชคงาา้คํารวมรวมมาสมณะพระ ใช้คำรวมๆ ม, มันสัมพันหมายความว่าเราตอนนี้เราต้องการทําบุญนะพูดเรื่องบุญกันบุญมันตัวการทำการมันอยู่ที่ผู้รับสิ่งที่ให้กับผู้ให้เห็นไหมฮะตัวตัวที่มันสัมพันธ์กันมั น, ม, นมีสามข้อให้กันแต่ว่าคุณภาพกิตที่ปรับมันโดยลำดับคิดเพราะให้อย่างนั้นให้อย่างนั้นให้เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นนั้น น, น, น, นต่อมาก็มาประรบที่ตัวทักกิณญบุร ค, คล มองคนที่เป็นทักษิณาจักรเน้นบุญจริงๆแล้วนะฮะอย่างเช่นบุญของนายนายปุณณะที่เคยเล่าวันก่อนว่าถวายไม้าหรับฟันแก่ภาษาดิบุตรพัญญาอวหารที่จะมาให้ปุณณนะแล้วก็ถวายภาษาดิบุตรพวกนี้มุ่งทําบุญจริงๆเกิดปีติเกิดพระโมดไม่ได้สนใจตัวเองอะขอให้ได้ทําอะไรเพราะจิตใจจะประณีดมากหมายความยังไงหมายความว่าปัญญาพิจารณาเห็นผล เห็นผลบางทีนี่ท่านคิดตัวเองก็บังจะกินเนี่ยนะัเองกังจะกินแล้วก็มีคนอื่นที่มีความทุกข์มากกว่าม่เฮ้ยเราอดข้าวมาในสังสารวัตรตั้งนานแล้วอดอีกสักวันมันจะเป็นอะไรไปแต่ว่าเรามีเรามีเรามีทายธรรมเรามีปฏิกาภพหมายความมีสิ่งที่เราจะให้ได้แล้วก็มีผู้ที่จะรับเนี่ยกำลังอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้มันใช่มันไม่จะเกิดขึ้นได้ง่าย มันก็เลยถวายเห็นไหยว่าเป็นความคิดเป็นความคิดที่มองเห็นเทียบเคียงนะฮะเทียบเคียงหมายความว่ากินมันก็อิ่มแล้แหละแต่อิ่มแล้วก็เว่าแอ่ะโดยการให้ทานแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเป็นานิสง์นานอย่างที่เคยเล่าท่านทั้งหลายถึงเรื่องคนหกคนในสมัยพุทธกาลที่ท่านทําทานและได้รับผลเป็นเป็ น, ปนบําเหน็จความดีความชอบในปัจจุบัน แล้วกลับมาด้ยบุญบรรดาลอยใหญด้วยบุญบรรดาณาฮะเกิ ด, ดนะขึ้นหกท่านในปัจจุบันอย่างปุณณะวันวันก่อนที่เราอ่าหรือว่าท่านในสุบุญมาลาการหรือจุเลกษ ะ, ะดกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยพวกนี้คิดอย่างนี้นะคิดแนวเนี้ยอย่างสุบุญมาลาการเนี่ยที่จริงดอกไม้ที่แกมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ต้องส่งเข้าไปในวังมันมีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งดอกไม้เนี่ยเข้าไปในวังเป็นเวนนี่ยนะ หมายความว่าเขาก็รับดอกไม้วันละกี่พวงเนี่ยท่านอเอาไปให้ทุกวันแต่ว่าถึงนี่มาเจอพระพุทธเจ้าข้าอ่ะจนยว น, นจะถึงวังแล้วเดินถือดอกไม้ไปจืนจะถึงวงังมันก็คิดว่าอูเราเนี่ยที่เกิดมายากจนขัดสนอย่างนี้ก็คงเพราะไม่ทําบุญทาทานไว้ในการก่อนแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรอ่ะนอกจากพวงมาลัยเอ๊พวงมาลัยเอาไปให้มันไม่ได้ ของจะต้องส่งถวายพระราชาถ้าไม่ส่งถวายอาจจะถูกลงโทษอาจจะถูกประหารชีวิตอาจจะถูกอะไรเยอะแยะไปเลยไหี้มันก็ตายก็คือการ น, นั่นแหละตายก็คือการ น, นั่นแหละถูกลงโทษหรือไม่ลงโทษเราก็ตายอย่างเดีแต่ว่าการที่มาเจอพระพุทธเจา้าแล้วก็มีของอย่างเงี้ยของนั้นยังไม่ใช่ของพระราชานะฮะเป็นของของท่านอยู่อะของของท่านอยู่ยังไม่ได้ขายอ่ะแล้วก็ถ้าก็ถวายแหละ ถวายอาทิตฐานพระพุทธเจ้าต้องการจะปลอบใจท่านนะ่ะนะพอน้อมถวายพวกมันลอยเลยลอยแล้วแผ่เป น, นั่นนะดบรรดานในพุทธานุภาพพวกอะไรลอยเป็นเพดานกั้นพรูพุทธเจ้าก็ไปสงรอยไปตามพระราชาทานที่จะกรี๊ดดีใจมากดีใจมากขอโมทนามีส่วนบุญด้วยแล้วก็อวยสนับสนุนรวยกันไปเลยอันนี้คือเราเราเห็นว่าการตัดสินใจมันมันเฉียบขาดแค่ไหนยอมตาย ยอมตายยอมสละชีวิตเพื่อจะทำตรงนี้หมายความว่าความศรัทธาเนี่ยมันเปี่ยมล้นไม่ได้คิดอะไรอื่นอ่ะคิดอะไรอื่นเนี่ยขอทําตรงนี้ได้ก่อนแล้วลักษณะความคิดก็คือการเทียบผลว่าผลการเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรก็ตามมันประเดี๋ยวประด้าประเดี๋ยวประดา ว, ด ว, ดาวแต่ว่าเจ้าของบุญเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันเป็นเป็นผลเป็นอันนี้สงเป็นบาดาบก็ตามเพราะแนวคิดตรงนี้จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการบุญ แสดงว่าปัญญาก็มีความรับผู้รด้านแล้วก็มีความรู้สึกศรัทธาในผู้ให้ไม่ใช่ในผู้รับนะแล้วรู้สึกไม่สนีทไม่เสียดายในของที่เราให้แสดงว่าเจตนามันเกิดประณีต ม, มองคนก็ดีนะมองผลก็ยาวแสดงว่าปัญญากเกิดขึ้นเยอมันขจัดอวิชหาไม่ได้เยอะแล้วก็มองของมองของที่ให้ที่บริจาคนั้นว่าเป็นการเก็บการสะสมบุญไว้แล้วก็ให้ ผลได้จะมีผลมีอา น, นิสงส์สูงนะฮะบับงเกิดเป็นเทพแล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่เจ็ันทิวาเศรษฐกิจคือเป็นเครื่องปฏิบัติจิตมองคุณภาพจิตพัฒนาจิตเป็นหลักนะจิตตัวเองสมมติว่าอะไรสมมุติว่าถวายให้ให้ะ ใ, ใครใครก็ได้มปนอยู่ที่ขับเราให้แล้วถึงไม่ต้องตามไม่คิดว่าเออให้ให้ไปแล้วก็จะเอาไปทําโบสถ์จริงหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งคนละเรื่องไม่สนใจฮะเราได้ ระดับจิตแล้วได้เครื่องประดัจิตแล้วไดก็จัดมชัชยยะความะหนี่ก็จัดโทสะในคนก็จัดความะหนี่ในของก็จัดโลภะภายในจิตบุญที่ควรกระทำเราได้กระทาแล้วอย่างที่ทรงแสดงในอานิสงส์ที่เราได้ยินร้อยบ่อยที่สุดนะฮะไปงานศพเราได้ยินเสียที่ทรงใช้คำว่าตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนปัปปการบุญเป็นอันมาก บุญเป็นอันมากที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วหมายความในงานศพแต่ละ ง, งานที่เราไปนะมันได้บุญเยอะนะจริงๆนะนอกจากว่าไปกันตามประเพณีไประฐารทีนบางแห่งวันก่อนอยังยังยังยังแปรลรบเรื่องนี้กันอยู่เรื่องเรื่องงานศพนะ พูดถึงงานศพที่จังหวัดจันทร์กับงานศพที่ทางต่างภาคได้ก็ควเรามีภาพเหมือนกันพะมีคนตายแล้วมันแ ห, ห่เฮโลสลภาพไปกินกันในงานอันเ น, นไปกินกันในงานเจ้าภาพเลยสะบักสะวมเลยก็เรียกว่าญาติตายไปคนหนึงจนไ่หลายทีนะพ่อแม่ตายไปคนหนึงจนไปนานนะมันคนไปแห่ ก, กันไปกิน อันนั้ น, น, นที่จริงมัไม่ใช่บุญมันเป็นอะไรไปไม่รู้เหมือนกันนะนะเพราะจริงแล้วไปสร้างความเดือดร้อนไปซ้ําเติมคนที่ประสบความพรัดา ก, ก, ก, กสูญเสียเจตนาก็ไปเพื่อตัวเองไม่ได้เจตนาเพื่อร่วมทุกข์ร่วมทุกขกับเขาร่วมทุกข์กับเขานะฮะร่วมทุ ก, กขนะ์ ก, กับเขาอันนั้นบุญเราคงน้อยหน่อยนะฮะและที่สําคัญคือไม่ช่วยเจ้าภาพนะไม่ช่วยเจ้าภาพ จะไปช่วยเจ้าภาพทําครัวไม่ช่วยอะไรเลยเลยนะฮะไปเล่นไปนั่งไปคุยนะจ้องเวลากินนะนั่นีองเด็กินตลอดวันด้วยแม่ครัวเนี่เสร็จเลยแหละสามสี่คืนเนี่ยเรียกว่านอนหลับแหละเสร็จงานศกก็ตัวเองก็นอนนอนเลยนี่ก็คือก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเทียบบุญแล้วมันรู้สึกได้น้อยเลยเกนะินอาจจะไม่ได้บุญเลยทั้งไปนะ พอไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้ากันนั่นั้ไมันแก่ยากก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดก็คือว่ามีผลมากมีอานิสงส์เนี่ยมากน้อยมันอานิสงส์ท่านจะเห็นว่ามันจ ะ, จะเทียบสวรรค์ที่เขาเกิดเพราะสวรรค์นนมันจะมีลักษณะเป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าอายุโลกมนุษย์เทียบกับโลกมนุษนย์นะนะมายความว่าดาวดึงเนี่ย หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับห้าสิบปีโลกมนุษย์ไม่ใช่จาจุมาราศหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับห้าสวันของโลกมนุษย์ดาวดึงหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับร้อยปีโลกมนุษย์แล้วก็ชั้นยามหนึ่งวันหนึ่งคืนโลกมนุษย์เท่ากับสองร้อยปีสองร้อยปีสี่ร้อปีก็นับนไปทศทิยมคูณนไปเรื่อยเยจนถึงเท่าไหร่พันแปดร้อยปีนะฮะ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัฏฏะทั้งหมดพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นวัฏฏะคือกลับมาสู่โลกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกหมายความหมายต้องหมุนวนอยู่ในสังสาระวัติเราจะเห็นว่าแนวอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาผู้ฟังในขณะนั้นแนวที่สองเนี่ยให้ดึงกายดึงจิตห่างจากการยึดติดเรื่อยๆ เลยฮะปล่อยปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับอปไรนี่ๆคล้ายๆกับแบบขึ้นรถแบบแบบแบบยานพาหนะอาศัยรงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาศัยตรงหนึ่งแล้วเปลี่ยนอาศัยตรงหนึ่งแลเปลี่ยนเหมือนกับเราไปในที่ใดที่หนึ่งบางทีก็เปลี่ยนยานพาหนะเยอะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสอนในแนวไม่ให้ยึดติดว่าในขณะที่เธอหลงยึดติดตรงเนี้ยว่าฉันเก่งแล้วดีแล้วมีแล้วเนี่ยพอเทียบกับื่นก็เรื่องก็ดีกว่า อายุปเป็นทิพย์ก็นานกว่าอย่างน้อยอายุปเป็นทิพย์ก็นานกว่าซึ่งหมายความอะไรหมายความทุกข์ในสังสารวัดเขาน้อยกว่าก็ทำให้เรามองเห็นแล้วก็ในที่สุดมันมันไปเข้าแนวอะไรนึกออกมฮะแนวแนวของอนุพีกถาอนุพีกถาคือทานศีลสวรรค์นะทานศีลสวรรค์นิเทศมากแล้วก็โทษของกาอานิสงส์ออกจากกา ทำไมแม่ไม่ได้ขึ้นไปบันไดที่สี่จะทานศีลสวรรค์จะแม้ทานศีลสวรรค์จะพูดสามทางแบบนั้นเองจะไม่ขึ้นไปไปไปไปถึงกามอาทิโนคือโอัษกรรมแต่ว่าให้นัยยะไว้มันก็เรามองกลับมาถึงว่าวิธีการเทศนี่ยคนฟังกลุ่มนั้นไม่ใช่คนกลุ่มที่จะไปมรรคผลนิพพานนะเป็นกลุ่มที่จะต้องใช้ระบบการพัฒนาตรงนี้ขึ้นไป ว่าเมื่อคุณอย่าไปพอใจคือว่าการเขาเรียกว่าอย่าสันโดษในกุศลธรรมอย่าตามมีตามตามได้ไม่เอากุศลธรรมต้องต้องมีความฉันทาวิริยะอุตสาหพยายามพิ่มปุ่นคือไปเด็กอย่ามักน้อยอย่ามักน้อยในกุศลธรรมให้มักน้อยในผลประโยชน์ในลาบสากสาระชื่อเสียงนะได้นะฮะแต่กุศลธรรมก็ไม่ให้มักน้อยต้องยินดีมากๆต้องให้เพิ่มมากๆต้องสะสมมากๆ กระส่งสะไดเป็นรูปของการบันไดที่ปไายขึ้นไปเราเห็นชัดระหว่างผลกับอานิสงส์ก็คือว่าผลมันก็เกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุแต่ก็แยกอานิสงส์ออกไปเป็นรูปของของชิปนะฮะของสวรรค์สวรรค์ก็แปลว่าอารมณ์เลิศที่จริงสวรรค์ก็คือแปลอารมณ์เลิศหมายความว่ามีอะไรมีมีมีมีมม มีวัตถุกรรมหกเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมหกอย่างเนี่ยเป็นทิพย์คือดีหมายความรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีอารมณ์เนี่ยใจก็เบิกบานเทวดาเปรย์พระู้ที่เที่ยวเบิกบาเที่ยวเพลิดเพลินสนุกสนานสบายสบา ย, บายนะไม่ไม่ ไ, มไมปข้องติดอะไรไม่ไปเดือดร้อนอะไรกับใครเทียบเคียงกับชาวบ้านนะฮะเทียบเคียงกับสามัญชนแล้วเนี่ย สมัญชนก็เดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าแล้วก็มีอะไรมีรัศมีมีอธิปดีมีความเปญนอยยะไรแต่ไรเนี่ยมันๆมั น, มนรวมทั้งหมดแล้วก็สิบข้อเวยกันแต่ทั้งหมดถึงจุดหนึ่งก็ต้องมุนกลับเข้าสู่สังสาราวัฏหมายความว่าต้องการให้ในยะว่าถึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลุดพ้นจากทุกข์นะ เราจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นนิมมารีว่าไปถึงเรื่อยนะฮะหมดสวรรค์หกชั้นเลยขึ้นไปสวรรค์หกชั้นเป็นนิมมารีแล้วก็เป็นใหญ่ในหมู่เทพทั้งหลายกันไปเลยแต่ในที่สุดมันก็กลับกลับมาหมุนวนอยู่ในสังสารวัตต้องการจะแสดงให้เห็นว่าอย่าไปยึดติดเฉพาะตรงนี้อย่าไปยึดติดเฉพาะตรงนี้มันไม่ปลอดภัยด้วยประกาศทั้งปวง แต่ถ้าจะยึดติดมันก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยมันปลอดภยัยมันก็น้ําท่วมเนี่ยฮะถ้าเราขึ้นสูงมันก็ท่วมท่วมไม่ค่อยถึงเท่าไรเราก็พยายามขึ้นบันไดไปเรื่อยซ้อนในแนวกันขึ้นมาเไยคือปรับที่ตัวจิตปรับที่ตัวจิตอย่างเดียวนะท่านท่านเห็นว่าปรับที่ตัวจิตที่เป็นหลักโดยเพิ่มปัญญาขึ้นเพิ่ม สรัทาขึ้นโดยเฉพาะตรงนี้เน้ น, เ น, นเน้นที่การใช้ปัญญาสูงขึ้นจริงจริงแนวทางนั่นคือทานนะฮะแนวทางนั่นคือทานแนวนี้เน้นไปที่ตัวทักกินในญาบุคคลแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระเมือนก่อนก็มีก็นักปฏิบัติธรรมะคนหนึ่งมาอธิบายให้ก็เคฟังมาเนี่ยเราเรา เราอธิบายธรรมผิดแล้วแกล้งไม่รู้แกล้งไม่รู้ว่าผิดเพราะมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่จริงพระเจ้าไม่ได้แสดงนะพระเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยพระเจ้าใชาก้กำว่าทายกปฏิคาหกทายกคือผู้รับไอ้ ผ, ผู้ผู้ให้นะปฏิฆาหกคือผู้รับแต่ไม่บอกว่าชาวบ้านกับพระไม่ได้บอกอย่างนั้นเลนะไม่ได้บอกอย่างนั้นเวลาเราพูดเรื่อยเชื่อยไปคล้ายๆกับพระรับเละลูกเดียวเลย ไม่ต้องให้เพื่อนชาบ้านก็ต้องจ่ายโลกเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความมาพูดถึงกรรมอย่าลืมมาพุทธน า, านั้นเป็นศาสนากรรมวจีกล่าวเรื่องกรรมการกระทาเนี่ยการกระทําของคุณในขณะใดที่โยมเอาเอ า, เอาสมมุติโยมกับพระเนี่ยบางอย่างโยมให้พระโยมก็เป็นถายกตรงนั้นแต่บางอย่างพระให้โยมพระก็เป็นถายกตรงนั้นเห็นไหมฮะมันก็เป็นถายกเป็นปฏิกาหกด้วยกันในกรณีอะไรอ่ะ พอดีพระโดยโครงสร้างเดิมจริงๆเราจะเห็นว่าพระไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆสิ่งที่พระให้ได้คือธรรมะนั่นเองคือการแนะนําให้เหตุผลการปลูกปลอบให้สติอะไรต่อะไรเขาเรียกว่าธรรมสังขารก็คือธรรมทานเจา้าคือก็คือธรรมทานชาวบ้านนั้นอย่างอย่างอย่างความคิดประเภทที่หกตะกี้ตะว่าเนี่ยป ร, ประเภทที่ห้าตะว่าเนี่ย พระสมณพราหมณ์เขไม่ทํามาก็ไม่หุงหาอาหารรับประทานเราหุงหาอาหารรับประทานเราไม่ให้ก็น่าเกลียดอะก็ให้ท่านไปช่วยเหลือช่วยเหลือให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติพระมารย์จิตคิดอนุเคราะห์นะจิตคิดอนุเคราะห์ไม่ใช่จิตศรัทธาอะไรมากหรอกจิตคิดอนุเคราะห์ต้องการช่วยเหลือกันสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกันท่านก็เป็น ความรู้สึกที่ดีนะฮะเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าเพราะเพราะชาวบ้านเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่เขาก็ให้ให้ไปในทางวัตถุคือเน้นไปในทางวัตถุแต่อย่าลืมสมมุติวันไหนพระไปเน้นทางวัตถุแล้วพังนะ่ยศาสนาอยู่ไม่ได้มาความยังไงมาความพระเมื่อไม่เมื่อตัวเองไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่ทํามากินไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำสวนไม่ได้ปลูกผักอะไรแล้วอะไรมาแจาก มาแจกผมก็ต้องเรียกไรชาวบ้านต้องลงวันเรียกอะไรเป็นตรีคูณทวีคูนเห็นไหมฮะพระจะต้องเรียกอะไรเป็นตรีคูณทวีคูนเรียกไรนี้เพื่อสร้างวัดเรียกไรนี้เพื่อเลี้ยงรูพระเนมไปในวัดเรียกเรือนี้เพื่อเอาไปแจกเอายุ่งตายเลยยุ่งตายเลยในสุดจิตใจไม่สงกและอาจจะต้องแข่งข so so so so so ันกันอาจจะต้องโกหกโดยไปกันใหญ่สร้างบาปกันใหญ่ก็ อีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งกาตันยูบุปการีกับกตันยูกาตเวทีอันนี้เหมือนกนรารอธิบายเป็นคนที่จริงไม่นะอธิบายเป็นกรรมศา ส, สนาพุทธต้องอธิบายเป็นกรรมอธิบาเป็นคนไม่ได้มันผูกขาดอเป็นระบบผูกขาดไปหมายความผู้ใหญ่ต้องบุปการีด้ยคือบางทีนี่ผู้ใหญ่ไม่ได้อุปการะอะไรผู้น้อยเลยแล้วให้รู้ผู้น้อยกาตันยูกาตเวทีได้ยังไง เนมฮะมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้จับคู่อย่างนั้นเป็นคู่กองสังคมที่เรามาจับคู่ที่จริงเราเราเร า, เราจับคู่ตามความคิดของขงจื้อไม่ใช่ความคิดของพุทธเพราะว่ากคำสอนในเมืองไทยเนี่ยมันมันปนมัวมัวนะฮะถ้าคนนี้ศึกษามาได้รู้เองเองไอันๆๆนี้มันของเป๋าในวันนี้มันขงจื้ออ้นี่มันของเปล่านี่เห็ น, น, นไหมฮะแต่ว่าคนเอาไปจะฟังไม่ออกฟังไม่ออกไอ้นี้ของใคร การที่จับพ่อแม่ลูกมาครูก็สิทธ์ครูก็ไม่ใช่เป็นบุปบการีของสิทธิ์ตลอดไปครูก็ต้องบางทีก็ต้องเป็นกตันอูต่อสิทธ์สิทธิ์มันช่วยเหลือครูเห็นะหิคร์ช่วยเหลือครูตรงนั้นครูก็ต้องกตันอยู่ต่อสิทธิ์ครูสอนสิทธ์ครูก็เป็นบุปบการีของสิทธิ์สิทธ์เรียนจากครูสิทธิ์ก็ต้องกตันอยู่ต่อครูแต่อย่าลืมนะะ ว่ามีเยอะที่ที่ที่สิทธช่วยครูครูก็ต้องการันยุติสิเห็นไหมดูที่กรรมในแต่ละขณะมันไม่ใช่เป็นตําแหน่งผูกขาดว่าพระจะต้องเป็นบุปการีของชาวบ้านไม่ใช่พระต้องการันยุกันตเวทีต่อชาวบ้านลองชาวบ้านไปตักบาตรใหกินลองดูสิเห็นไหมฮะตอนนี้ชาวบ้านก็เป็นบุปการีต่อพระแต่ว่าพระสอนทำปฏิบัตทิทำนะฮะพระก็เป็นบุปการีของชาวบ้าน ตางคนต่างเป็นนะนะฮะก็นับจับคู่ดูดิคู่ไหนจุดไหนขนาดไหนทัทง้ทงทั้งทั้งสองฝ่ายนี่เป็นไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ตําแหน่งผูกขัดไม่ใช่ตําแห น, น่ง น, นะไม่ใช่ตําแหน่งแต่เป็นธรรมปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรในขณะใดเราก็เป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเพราะการเป็นอะไรของใครนั้นไม่ได้เป็นเพราะการอย่างอืงอ่นมันเป็นเพราะกรรม เป็นประกรรมคือการกระทำของเขาการเป็นทายกการเป็นบฏิการหกการเป็นบุพการีการเป็นกะตัญญูกัตตที่จริงเป็นเป็นของกรรมเป็นเรื่องของการกระทาและพระเจ้าก็ไม่ได้บอกคนนะฮะบอกกรรมเราอธิบายกันมาอย่างงี้แต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมายังก่อนก็มีโยมเขามานั่งคุยคุยธรรมะนี่อัตมา มาเลยก็ยกมาอธิบายวังบอกรู้เถอะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกคนนะบอกกรรมนะบอกกรรมแต่เราอธิบายเป็นคนหมดเพราะเป็นคนก็เลยเป็นตำแหน่งผูกขาดบางทีระบบบางระบบเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจเอ๊ะ ท, ทำไมจะต้องมีระบบอย่างนีน้นึกไม่ออกว่าด้านเหล่านี้เป็นเป็นบุปการีอะไรนะสร้างเงื่อนไขสร้างจารีไทยเด็ดตองไปอย่างสมมตนินี่อย่างอย่าง ทำเนียมของพระเราเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงอ่ะนะเช่นวันข้าวพรรษาในพระต้องไปทําวัดผู้ใหญ่เอาของเครื่องสักการะบูชาไปถวายผู้ใหญ่ถวายเรื่องอะไรเรานึกไม่ออกมันถวายเรื่องอะไรนะเป็นขอขมาโทษนะฮะแล้วโทษอะไรเราไม่รู้จักท่านน่ะเราไม่เคยล่วงเกินอะไรท่านเลยจะเป็นโทษอะไรเราโทษมันต้องล่วงเกินจึงจะเป็นโทษไอ้ น, นี่เราเห็นว่าจารีตที่สร้างขึ้น แต่ฤทธิ์ทางซึ่งขึ้นเบลอไปเ ป, เป็นเป็นเป็นเป็นคุมคุมให้คนอื่นเคารพนักถือแต่ถ้าพราะตัวเองกท่นั้นแล้วก็ผลุดยทายเราไม่ได้ถามตัวเองว่าเราให้อะไรแก่ผู้น้อยมากงดีคิดแต่ว่าผู้น้อยต้องให้อะไรแก่เราลักษณะสังคมของเรามีเป็นเัินมากแนตะ่ให้ให้ลองสังเกตว่าวันเกิดผู้น้อยนี่ผู้ใหญ่ให้อะไรแต่วันเกิดผู้ใหญ่นี่ผู้น้อยต้องขนมาให้ อันนี้คือคือคือเราสร้างขึ้นเป็นสังคมที่สร้างขึ้นตัวเองแล้วก็บิดเบือนธรรมะด้วยธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะพูะพุทธจ้ไม่ได้สอนอย่างนั้นผู้ใหญ่ต้องสงเคราะห์ผู้น้อยไม่ใช่ผู้น้อยต้องสงเคราะห์ผู้ใหญ่มันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยแห่กันมาขนมาอ่ะธรรมันเกิดในผู้ใหญ่แต่ถามว่าผู้ใหญ่นี่ให้อะไรแก่ผู้น้อยมื่ก่อนหน้านั้นบางทีไม่เคยให้ก็เลยนะฮะไม่เคยให้ก็เลยก็ได้ในสถานะเป็นเป็นผู้ใหญ่แต่เองแต่ว่า สังคมมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยการอะไรนะประโยชน์ต่างตอบแทนประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะคนที่มาอย่างนั้นที่จริงก็หวังอะไรจะหวังจะหวังพึ่งผู้ใหญ่นะฮะหวังพึ่งผู้ใหญ่หวังเสนอหน้าหวังให้ท่านให้สองขั้นได้เลื่อนตำแหน่งให้อะไรต่ออะไรนะต้องลงว่ามันไม่ได้ขาดขาดความสุจริตใจนะเป็นเป็นการติดต่อสื่อสารในการคบหากันที่ บนพื้นฐานของประโยชน์ต่างตอาแทนคือแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่แนวปฏิบัติเพื่อขจัดแม้ทานตรงนี้ท่านทั้งหลายเราสังเกตเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อขจัดคือรับผิดชอบกรรมแลบผิดชอบกรรมก็เราเองคือการการะทํำก็เราเองแล้วก็ตัวจิตสํานึกทําอะไรทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเดี๋นะประโยชน์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านมองไปที่ การบูชาต่อผู้ควรบูชาสองข้อหลังนะฮะข้อหกับข้อเจ็ดเห็นไหมคับนะฮะข้อข้อ6ก็คือบูชาผู้ควรบูชาท่านเนี่ยเป็นทักษิณอยบุคคลท่านท่านท่านปฏิบัติพัฒนาตัวเองมันน่านับถือกบูชาท่านไม่ต้องการอายุพันธนะ์เรารู้สึกว่าเราได้บูชาเราเป็นสุขใจแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยไม่แม่นั้นนะฮะมุ่งปฏิบัติพัฒนาใจตัวเอง เ, เป็นเครื่องประดับจิต เป็นเครื่องประดับจิตไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปคล้องแวะอะไรอะไรกับใครเลยแต่มุ่งรับผิดชอบในกระบวนการของกรรมเพราะแนวคำสอนในทางาศาสนานั้นจะลงมาในแนวนี้นะพูดพูดไปพูดมาก็คือเรื่องของกรรมทุกอย่างท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการจ้างบริการคลายไปการลดไปของกิเลสนะการเพิ่มขึ้นของธรรมะจนถึงจุดข้อที่7เนี่ย ในพวกอานิสงส์ก็สวรรค์ชั้นปรินิมิตวัต ส, สวัตดีเลยนะมาความมาเกิดสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่ว่าคุณภาพจิตคุณภาพจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะด้วยอะไรได้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรแต่มุ่งของการขัดเกลื่อนจิตใจเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็จะให้ทานกับโจอะไรก็ได้ยิ่งเดือดร้อนอะไรเลย ไม่ได้เดือดร้อนโอ้ยนี่มันอะไ น, น, นี่มันพระพลอมไอ้นี่มันโจรนี่มันไม่มีขอทานไม่สนใจสนใจเราได้ทําดีแล้วกันพราะนั้นพราะนั้นพอคนอื่นเราไม่รับผิดชอบเราได้ทำำดําความดีแต่เรารับผิดชอบเฉพะกรรมตัวเองอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนสมมติว่าให้ไปแล้วเกิดพระปลอมมอาไใดๆตอนนี้ก็ถิ่นกระวังอะไรกันนะช่วกระถิน่นี่พวกนี้กล้าปลอมเยอะนะ มันเป็นแก้ไขทางสังคมสังคมมันเป็นก็มันอย่างนี้แหละเราอย่าไปคิดแก้เลยนะไปคิดแก้เราจะเราให้มีภูมิที่คุ้มกันโรคเอาไว้แก่ตัวเองแต่และกันนะะเราจะไปคิดแก้ปัญหาสังคมปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกสมมติเราแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้เรียบร้อยมันก็แก้ไม่ได้หมดเพราะคนทุกคนมี่ชอบอย่างนั้นน่ะมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่า บรรเทานะฮะบรรเทาปัญหาต่างๆออกไปเพ่ยนั้นเองแนวตรงนี้จึงจึงเป็นแนวที่สะท้อนจิตจิตของคนนะแล้วก็สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นจากจิตที่พัฒนาในระดับที่แตกต่างกันเป็นเจ็ดระดับะะเราจะเห็นว่าเรียงเจ็ดระดับตัวการสำคัญคือตัวกระตุน้นสานวนอภิธรรมเขาเรียกปัจจุปฐานหรือหมายความว่าตัวกระตุน้นตัวกระตุ้นให้เกิดเจตนา ให้เกิดองค์ธรรมตรงนั้นขึ้นมาว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรเป็นตัวกรารพอะไรเป็นเป้าประสงค์นะเป้าประสงค์เราจะเห็นว่าตอนแรกนี่ลงทุนเยอะแล้วก็ต้องการ ล, ลงทุนไม่ค่อยมากนะตอบอแทนมากตอบแพนจากข้างนอกแต่ว่าพอถึงที่เจ็ดเราจะเห็นว่าดูที่ตอบแทนที่จิตตอนนั้นเด็กไม่ดูจุงอื่นเล ย, เยก็ตายบันไดขึ้นมาเป็นเจ็ดขั้นเรียกว่าฐานาสูตร วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามเผยปูดในธรรมจงมีแต่ท่านสายส่วนหลางหลายดท่ ว, วกานทุกท่านคือ